ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเชยงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้จะพูดเรื่องโกนธัญญสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยประวังคี่สะสันเสริญพระอัญญากุลธัญญะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระเวฬุวันกรุงราชครึก รัญญากวนธัญญานั้นเราก็รู้แล้วว่าเป็นใครเป็นพระสังขรัตนารูปแรกที่บังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็บรุพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันรูปแรกเป็นสกีพยานในการสตรูของพระพุทธเจ้าจนถึงได้บรรลุมรรคผลพร้อมกับเพื่อนอีกสี่รูป คือท่านปัญญวคีสิห้ารูปัญญากลยัญญาวปะพัตยะมหานามะอัจฉิแต่ว่าท่านก็เป็นพระเทระชุดแรกที่พระพุทธเจ้าส่งส่งไปเผยแผ่พระศาสนาตอนเสด็จประทรับที่อิศิปตนะมรุกขายวัน ก็ผลงานที่รับรู้กันนั้นหรือท่านไปที่บ้านทวนาวัตุในกรุงกะบินละพัดแล้วก็นำหลานชายคือประพุทนมนตานีบุตรซึ่งก็เป็นลูกของน้องสาวท่านเข้ามาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาประพุทนามันตานีบุตรนั้นก็เป็นพระเทราที่สำคัญ ระดับเอเตสระทัคษะก็เป็นนักเทศชั้นยอดแต่ว่าประวัติละผลงานของพรญญากลธัญานั้นเราไม่ค่อยพบยบ่อยๆนะแล้วก็ที่น่าสังเกตก็คือพระอาหารหันต์ชุดแรกหกสิบรูปมีชื่อเสียงมีผลงานที่เราพอรู้เนี่ย กี่ปรมาณสีห้ารูปเท่านั้นเองเพราะการเที่ยวจาลิกไปเพื่อเผยแผ่ศ า, า, า, า ส, สนานั้นก็ไปแบบฝ่าอหันคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรกับหนก็นอนนั่นไปเรื่อยๆแล้วก็ น, นิพพานในสถานที่ที่ท่านไปอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ค่อยรู้ผลงานของท่าน และพระสังกีติกาจารย์ที่ทำการสังกายนาในครั้งแรกก็เป็นพระรุ่นหลังตอนนั้นแม้แต่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็นิพพานไปแล้วพระมากัสสะปะค่อนข้างจะเป็นรุ่นแรกๆเหมือนกันแต่ว่าท่านก็อยู่คนละทิตระทาง ปรญยากลธัญญะนั้นอยู่ที่ป่ายิมาพานที่สัจทันประมหากัตรินั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ถ้ำปิดผลิที่กรุงราชฤกษ์ใกล้ๆกล้สัตบัรณัูหาข้างภูเขาไว้ภาลบันพุทเพราะในพระสูตรต่างๆเนี่ยเราจึงไม่ค่อยพบผลงานพรญยากลธัญญะ ก็เห็นควรว่าควรจะเล่าความเปิดมาขท่านที่ก่อนเป็นการทบทวนท่านที่ดเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ท่านที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังมาปัญญาโกนธัญญานั้นเป็นบุตรพราหมณ์ในหมู่บ้านโถนวัตถุที่จริงๆก็ชื่อโกนธัญญานั่นแหละ อนยาคนอนยานั้นเป็นชื่อที่เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักจบลงท่านได้ดวงตาเห็นธรรมว่าจึงใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดารเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมก็เป็นพระยาบุ ค, คลระดับโสดาบัน พระเจ้าทรงปีติก็อส่งเปร่งพระพุทธูธานว่าอัญญาสิวัตโผโกลดันโยอัญญาสิวัตโผโกลดัดยาวโกดันโยแปลว่าโกลทันยะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโกลทันยะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญเพื่อนท่านจึงได้นามว่าอาัญญาโกลทันยะตั้งแต่บัดนั้นมาแล้วก็จากประวัติที่พระอ า, าจารย์เล่าในที่นี้ แสดงว่าในการต่อมาท่านก็คงมาสู่สำนักของพระพุทธเจ้ามีพระเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากคือปัญหาสําคัญว่าเวลานั่งเนี่ยตามปกติแล้วก็น่าจะเป็นท่านนะครเพราะว่าท่านบวชก่อนคือดื้อที่สุดเป็นรัตตัญูบุคคลแต่ว่าตําแหน่งในการบริหารพระศาสนาเนี่ยพระสาริบุตรเป็นอักสาวก ฝ่ายขวาเลิศทางปัญญาพระโมคคัลลานะนั้นเป็นอักษาวกฝ่ายซ้ายที่เลิอดทางฤทธิ์ปัญญากลตัญญานั้นได้รับยกย่องในฐานะเป็นรตันยูบุคคลคือรู้รชจีนานก็เป็นผู้เท่าก็อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตว่าตีต่างว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดทันที่อิสิปตนะมริกขายวัน สมมติว่าตอนที่ท่านทำนายลักษณะของพระพุทธเจ้าตีเสว่าอายุยี่สิบไปจบใส่เพศไปทางกษัรณะแต่ว่าตอนที่พระเจ้าเสด็จไปโปรดเนี่ยได้จันษาได้สามสิบหกแล้วพันเท่าสามสิบหกไปบวกก็ยี่สิบมันก็แสดงว่าห้าสิบหกก็อยู่ในเกณฑ์ที่ก็ค่อนไปทางแก่แลละ แต่ว่าเวลาเขานั่งเนี่ยก็จัดนั่งพระสารีบุตรจะนั่งจากด้านพระหัตถ์ขวาของพระพุทธเจ้าต่อไปพระโมคคัลลานะก็จะนั่งด้านพระหัตถ์ซ้ายของพระพุทธเจ้าทีนี้ข้างหลังเบื้องพระปริตดางของพระพุทธเจ้านี่พระอัญญากลุลธัญะก็จะนั่ง แล้วก็พระเหล่าอื่นก็นั่งกลาชิดกับท่านไปตามลําดับตามลำดับพรรษานะฮะทีนี้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าคนก็เคารพยำเกรงมันดั้งกลมก้มันก็มันก็เกรงันนะเกรงเรียกว่าตัวเกรงอะไรกันหรือความเคารพพระสารีบุตรเองก็เกรงใจพระโมคคัลลานาเองก็เกรงใจ เขาให้ความเคารพมากเหมือนกับพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ของครอบครัวท่านก็มองเห็นว่าพระเหล่านี้เขาก็สร้างบาเมบารมีม า, าก็อย่างน้อยก็หนึ่งอสุนไขกระแสนกั่แล้วแล้วก็ปรารถนาการบรรลุมรรคผลเป็นพระหานก็ได้บรรลุแล้ว ท่านก็มัวจำเกลิงเราอยู่จะทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกเพราะงั้นก็เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความลำบากท่านก็เห็นว่าเูาเราควรจะไปอยู่ในจื่เพื่อไม่ต้องสร้างความลำบากให้แก่พระรุ่นหนุ่มในสุดก็ กราบทูลลาพระพุทธเจ้าไปอยู่รินสะชัตทันเป็นที่อยู่ของช้างท่านบอกว่ามีช้างถึงแปดพันเชือกแ0ดพันตัวนะฮะอยู่ในป่า น, นั่นแล้วก็อยู่ท่ามกลางการดูแลของช้างช้างก็อุปถักบำรุงคล้ายๆกับบำรุงพระพุทธเจ้าตอนเสด็จประทับอยู่ที่ป่าปารีเลยากะ แต่โน้นมันช่างตัวเดียวแต่นี่มันช่างแปดพันแต่ถามว่าทำไมพระเทวประอยู่ในที่นั้นคือในสถานที่นั้นเป็นที่พักพำนักของพระปฏเจ ก, กับพุทธเจ้าในอนดีตและท่านก็มีบารมีมาในด้านนั้นก็ปรารถนาพอใจที่จะไปอยู่ที่ ที่ประปัิเกับพทธเจ้าเคยอยู่พวกช้างเหล่านั้นก็เปลี่ยนเวรกันดูแลท่านผ่านเวลาไปนานถึงสิบสองปีต่อมาท่านก็ตรวจดูอายุของท่านก็เห็นว่าอายุนี่จะสิ้นแล้วก็ควรจะนิพพานได้แล้ว แต่ก่อนยานิพานก็ควรจะไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าทีนี้อาศัยที่ท่านจากไปตั้งสิบสองปีนะพระรูปใหม่ก็ไม่รู้จักแต่ละคนก็ได้ยินชื่อเสียงอย่างหนาแต่ยังไม่เคยเห็นว่าองค์ไหนคือพระอัญญากลทัญญาถ้ามาอยู่สิบสองปีตีต่างว่าท่านตอนท่าน บรรลุมพระผลเป็นพระหานอายุห้า6ิกห้าิหกก็ไปสิบสองปีก็เรียกว่าเป็นหกสิบแปดหกสิบแปดก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยแก่แต่ว่าตามที่ท่านประรพบแสดงว่าท่านแก่มากผมงอหลังโกงก็เดินก็คอมไปทางหน้าก็อาจจะเป็นเรื่องของคนโบราณ น, นะครับ คนโบราณเราจะเห็นว่าก็สมัยเราเป็ น, นเด็กเราก็เจอว่าผู้เฒ่าซึ่งถ้าเราดูอายุท่านตอนนั้นกับเราตอนนี้เนี่ยจริงเราแก่กว่าแต่ว่าดูแล้วท่านแก่หรือเกิดผู้ใหญ่บางค น, นอายุห้าสิบกว่าเนี่ยก็รู้สึกแก่มากแล้วโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคือคนต่างจังหวัดทนการมาของท่านในการปรากฏตัวของท่าน มันก็กลายเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังมากคือว่าคนบางพวกอาจจะนึกดูหมิน่นดวงตาแก่องหนึ่งหลังกงผมหงอกเป็นศีรษะอาจจะแสดงอาการดูถูกดูหมินภูหมิินท่านแล้วก็จะเป็นเหตุให้คนตรง น, นั้นตกนรกมันเป็นอริยุประวัตอันนี้คือเรื่องที่ต้องระมัดระวัง ในขณะเดียวกันก็ถ้าคนได้เกิดสถาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระเทระก็จะเป็นเหตุให้เขายกย่องสรเสริญพระเทระแล้วพอรู้ว่าใครเป็นใครชัดเจนทึงเขารู้มาก่อนชื่อพระ ญ, ญากลกัญญาเนี่เป็นที่รู้จักคู่เคียงเคียงคู่มากับพระพุทธเจ้าเลย เพียงแต่ว่าใครไม่เคยเห็นคนรุ่นหลังไม่เคยเห็นดังนั้นท่านจึงไปด้วยดิบเพื่อเพื่อปูนศรัทธาภาสาธะให้เกิดขึ้นแก่คนรุ่นใหม่ที่ได้ประสบพระเพียรท่านก็หอกเลื่อนลอยมาจากนภากาศเลยแล้วก็มาลงที่ ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ได้เข้าๆไปเข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับต่อการนานนักทีเดียวคือหมายความว่าไม่เคยเข้าๆตอนที่ลาไปเพื่อจะอยู่ในในป่าหิบพ า, านแล้วก็สิบสองปีทั้งก็อยู่ที่นั่นก็มีสร้างดูแล ไม่ลำบากเรื่องที่อยู่เรื่องอาหารเรื่องน้ำท่าทั้งหมดเนี่ยมันมีคนดูแลหมดมีช้างก็ดูแลหมดช้างก็ผัดเวรกันนะฮะมาดูแลเราดูแลพระเทราเพื่อนการมาของท่านจึงเป็นถือว่าเป็นเรื่องนานล้วเก็สิบสองปีนีก่นก็ถือว่านานมากคนรุดหน้ยนึกดูว่าปีหนึ่งบวชสักเท่าไหร่นี่ไม่รู้จักพระเทรานเลย ระยะเวลาสิบสองปีวันทัานก็เมื่อเข้าไปถึงก็ได้มอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระปููมีพระภาคด้วยเสียงเกล้ามีแสดงความเคารพอย่างสูงนะฮะคือความเคารพอย่างสูงในจะมอบลงแทบพระบาทเอาหัวเนี่ยลงวางบนพระบาทเอาหน้าผากวางบนพระบาทแล้วก็ลูกพระบาท แล้วก็มารูกที่ศีรษะของตนแล้วก็จุมพิษที่พระบาทนี่คือการแสดงความเคารพนับถืออย่างสูงของใครก็ตามนะฮะตอนนาตาบินทิการเศรษฐีถวายบังคมก็ถวายอย่างเนี้ยพระเจ้าพิมิสารก็ถวายอย่างเนี้ยนันเป็นการแสดงความเคารพเป็นประเพณีแล้วถ้าเราไปที่ประเทศอินเดียเราจะพบว่าลักษณะอย่างนี้ยังมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเจอญาติผู้ใหญ่เนี่ยเจอผู้ใหญ่เนี่ยก็จะจับที่เท้าของผู้ใหญ่แล้วก็ลูบหัวตัวเองยกมือไหว้ก่อนนะยกมือไหว้แล้วก็จับที่เท้าลูบที่เท้าแล้วก็ลูบที่หัวของตัวเองเป็นการแสดงความเคารพแต่ดิประเภทนี้เหล่านี้เคยพบเห็นที่ปักได้สมัยเป็นเด็ก เวลาเขาไหว้พระนี่เขาก็ไหว่อย่างนั้นแล้วก็ตอนปัจจุบันบางคราวเราไปเจอคนมกนากที่คนรุ่นเก่าเนี่ยเขาเจอก็มาเจอค่อยจะมากราบในลักษณะนั้นกราบลงบนหลังเท้าแล้วก็มือลูกเท้าบางทีเรานั่งขัดสมาธิอยู่เขาก็ลูกเท้าที่เราขัดสมาธิบางทีเรานั่งห้อยเท้าเขาก็พุบลงบนหลังเท้า แล้วก็ลูกเทา้าแล้วก็ลูกผัวนี่เป็นการแสดงความเคารพปรากฏว่าแถวเครือของสหภาพสุเวตทังนกิติวุทโธทั้งเคยล่าวัญท่างเคยไปปรากฏว่าชาวพุทธในแถบนั้นจะศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์นิกายเทเราวาดมากเพราะเขาไม่เคยเห็นเขาก็เห็นเฉพาะนิกายมาหายานแต่ส่วนใหญ่ก็สื่อเชื้อสายจากพิเบ จากอินเดียนะฮะจากจากเนปลาลยันทิเบตก็แนวเนี้ยก็แนวม า, ายานส่วนใหญ่เพราะนั่นพอเห็นพระสงฆ์เทะว่าจะวิ่งวิ่งมาเลยมาถึงก็ก้มกราบอย่างนั้นแนละอย่างที่เล่าเนี่ยสแสดงว่าจะรีบประเพนีนี่มันมีมานานนะ น, นะก็คงก่อนพระพุทธเจ้าเพราะมันเป็นประเพณีที่ถือพระพุทธปฏิบัติกันมา พระยากลทัญยะก็ทำอย่างนั้นจูพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยปากนวดพื้นพระบาทด้วยมือทั้งสองแล้วก็ประกาศชื่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญะ ในขณะนั้นพระวังกีสาท่านก็นั่งอยู่มันเกิดสตทธาเลือบสายและประทับใจแล้วก็ทึ่งในการกระทำของพระอญญากาุลัญญะท่านก็มีความคิดว่าท่านพระัญญาโกณธัญญานี้นานนักทีเดียวจึงได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ขั้นข้าวเฝ้าแล้วหมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาค้าด้วยเสียรก้าจูพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยบากนวดพื้นด้วยมือทั้งสองและประกาศชื่อว่าคาแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อว่าโกนธัญญาคาแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อว่าโกนธัญญะ เล้วก็คิดต่ออยากกระดับเลยเราพึงชมเชยพระอัญญากลธรรมยในที่เฉพาะประพักของพระผู้มีประพักจ้ารวยคาถาทั้งหลายตามควรเถิดจากนั้นท่านก็ลุกจากอาสนะตอนนี้แปลกนะคือไม่ได้ใช้ทำพระหมเสียงบ่ากบอกว่า ท่านประวังทิะลุกขึ้นจากอัศนะแล้วประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์เความนี้ย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ก็เป็นทํานองขอประทานพระบรการเพื่อจะกล่าวสรรเสริญพระเจ้า ก็เป็นจำนวนภาษาที่ฟังยากนะครับแต่ว่า เ, ออเคยพบจะมีลักษณะอย่างนี้ท่านพระผู้มีภาคเจ้าก็ส่งประธานผุทธานุญาตท่านก็กล่าวว่าพระโกนธัญญาเทระนี้เป็นผู้สัตรูตามพระพุทธองค์เป็นผู้มีความเพียนเครื่องก้าวหน้า อย่างแรงกล้าคือพระ ญ, ญาณกุลธัญญาถ้าตั้งปัญหาถามว่าทำไมท่านจึงได้รับการยกย่องเป็นรูปแรกกว่าเป็นรัตัญยูบุคคลเกิดมานานรูราศีนานเพราะในอดีตการที่นานไกลเนี่ยท่านดำนาร่วมกันสองคนพี่น้อง แต่คนพี่ อ, อยากจะเก็บเกี่ยวข้าวในแต่ละช่วงตั้งแต่เป็นน้ำนมมานะแล้วก็บุงถวายพระสงฆ์มีหลพุทธเจ้าเป็นประมุขแต่น้องชายในี่ขัดขานในสุดตกลงว่าสองคนเนี่ยก็แบ่งกันกันแล้วกันแบ่งข้าวกันข้าวในนานะฮะ ขาวในนาที่กำลังออกรวงแล้วก็มังเป็นเขาเรียกว่าเป็น น, น้ำนมท่านก็ปรุงเป็นอาหารในแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ตอนของการทำนาเนี่ยแล้วก็ไม่ปรารถนาอะไรหรอกปรารถนาขอได้บรรลุมักผลในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตก่อนคนอื่นในโลกเพราะท่านก็ได้สามที ท่านตั้งความปรารถนาเอาไว้ลัทธนาเหล่านี้เป็นข้อที่น่าคิดนะฮะคืออล า, าดาบทการามโคดอุตรากะดาบตรามบุตรซึ่งเป็นอาจารย์สอนสมาบัติแปดแก่พระพุทธเจ้าแแก่เจ้าชายสิทธัตถะเท่านตายไปก่อนตายไปในช่วงที่พระพุทธเจ้าประทับสวยวิมุติสุขละส่วน อุตะกาดาบดรามบุตรเนี่ยตายไปก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเทศจะตัดสินพระไถยโปรดชาวโลกโด้วยพระธรรมเทศนาที่องค์ศัสรูมาอันนี้คือมันก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าตามกรรมลิขิตสมมติว่าดาวบททั้งสองจะอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแสดงประถมเทศนา มันก็ไม่มีโอกาสจะมาฟังธรรมหรอกแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ไม่ควรจะบรรลุนะครับเพราะวา่าบารมีท่านสร้างมาคนละเรื่องกันท่านก็ไปอยู่ที่อรู ป, ปรพุ่มก่อนแน่นอนอยู่นันดิกาเลเมื่อไรก็ไม่รู้และจะจุติมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยหรือ้ามองระยะสัส้นๆมันก็เป็นสุขชั่วที่รัน นิรันเท่าที่นิรันได้อะนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าส่งแสดงว่าประสบความฉิบหายอย่างใหญ่เพราะการไปแขวนอยู่ที่พรหมโลกชั้นระดับอรุ ป, ปรพรมซะด้วยอรุ ป, ปรพร ม, ท, มที่สามกับที่สามกับที่สี่นะฮะอาราดาบทกาลามโคตรนั้นอยู่พรหมโลกชั้นที่สาม อุตกะดาบทรามาบุตรก็อยู่นู้นแหละตัอชั้นที่ชั้นที่สี่ก็คือเนวสัญญานาสัญญาเจตนาภ พ, พอันนี้คือการมองเพราะในการมองสิ่งต่างๆมันมีความสำคัญว่าพื้นฐานในการมองของคนเป็นยังไงก็อย่างที่บอกว่าเ๋ยวคุณสมเด็จพระพุทธไทอบพรพ พระญานมรดกฉันขอร้องให้เรียบเรียงเรื่องพระพุทธเจา้าให้อะไรแก่เราหรือพระพุทธศาสนาให้อะไรแก่เราก็เรียบเรียงมาโดยลําดับโดยใช้โครงสร้างของมงคลระสูเป็นตัวเดินเรื่องนะฮะก็เรียงกันมาโดยลําดับมาถึงข้อที่เรียกว่าสมานานันจะดัดสนัง่งการได้พบเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลมันก็จุกคิดขึ้นมาทันที รเรื่องการที่ปรากฏนั้นมันพื้นฐานจิตของมนุษย์เนี่ยเขาเป็นใครล่ะไม่ใช่ว่าทุกคนมองเห็นธรรมะแล้วจะรู้สึกเป็นอุดมมงคลอย่ายกตัวอย่างว่าคนในพระพุทธศาสนาในพระในพระพุทธศาสนาตีต่างว่าเราจะเข้าไปในมัสยิดของ islam อัตมาเป็นตัวแทน ห้าศาสนาไปเยี่ยมพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้แล้วก็จริงตอนที่ไปชุมนุมกันในมัสยิดเนี่ยมาไม่กล้าเข้านักบวชฮินดูก็ไม่กล้าเข้าเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเชื่อถื อ, อยังไงแต่ถ้าจะเข้าหมายความว่าตัว นักสอนศาสนาของเขาโต๊ะครูโต๊ะอิหมามอะไรแต่ไรต่างๆนี่ต้องเชิญเราจึงกล้าขา่าวไม่รู้เขาถือว่าเราเป็นมงคลหรือเป็นอัิมงคลไม้แต่ศาสนาอื่นก็เถอะก็ยังนึกว่าถ้าหากเขาจะคิดว่าเราเป็นมงคลเนี่ยมันก็คือศาสนาฮินดูก็ศาสนาซิก แล้วก็นิกายเทรวาสการพ่อเพนสมณะก็ถือว่าเป็นอุดมมงคลเนี่ยท่านเหล่านี้คงคิดนะฮะแต่ว่าคงไม่ใช่ทั้งทั้งหมดทุกคนทีนี้จากเรื่องราวที่ปรากฏในคำพีพระพุทธศาสนาเราดูพื้นฐานนะคือพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตะก็พ่อเพนคนแก่คนเจ็บคนตาย ซึ่งเป็นตัวปัญหารมก็คิดจะหาทางออกจากแก่เจ็บตายโดยคิดว่าความแก่จะตายเนะี่ยมาจากความเกิดคือจะแก้ไม่ให้เกิดได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องแก่เจ็บตายเป็นความคิดในขณะนั้นแต่ว่ายังหาทางออกไม่ได้ว่าทำยังไงก็พอมาเจอกับสมณะเกิดปีติปราโมทปริงอุทานวสาทุโขปัปปัจจ บวดนี้ดีนักแหลเพราะการเห็นสมณะตรงนี้จึงเป็นอุดมมงคลสําหรับพระโพธิสัตว์เพราะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวชี้บอกหนทางให้เลือกเดินเพื่อการหลุดพ้นจากสังสารธาตุรูปกาจิวชีวกที่มาพบพระพุทธเจ้าท่านก็ปักใจว่าพระพุทธเจ้าต้องเป็นพระหัน ร, รูปใดรูปหนึ่งในโลกนี้แล้วก็มีศรัทธาเรื่อมใส สอบถามด้วยความใคร่รู้อยากจะรู้เมือ่อพระเจ้าทรงแสดงสถานะของพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้เลิศในโลกประเสริฐในโลกเป็นผู้ใหญ่ในโลกคนเช่นพระองค์นั้นไม่มีแลกวพระองค์เป็นพระหันตรัตตุเองตรัตตุดีตรัตตุชอบโดยพระองค์เองทานอุปการชีวกนั้นอาจจะตั้งหลักไม่ทัน แต่ก็แสดงอาการยอมรับไอ้จากจุดที่ยอมรับตรงนี้ในการต่อมาเมื่อท่านมีปัญหาในครอบครัวคือท่านศึกออกไปแล้วก็มีปัญหากับครอบครัวแต่ก็คิดจะหาทางออกให้แก่ตัวเองก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแลยก็ไปบวชในสำนักพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีหรือประสานิบุตรพระมคลานะระสานิบุตรเห็นพระอัศชิท่านกระสันอยากจะพบ นักบวชที่บริสุทธิ์จริงๆเรียกว่านักบวชในอุดมการณ์สนใจปริภาชกปรากฏว่าเลวแล้วในสุก็ตกลงกันว่าก็ไปสเสวะหาอาจารย์กันต่อใครพบก็ให้บอกแก่กันอุปติสาปริภาชกไปเห็นพระอศัศจิทท่านปักใจเลยท่านผู้นี้จะต้องเป็นสาวก ของพระอาหารหันต์หรือเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เดินติดตามไปแบบลูกศิษย์ตามอาจารย์เราจะชี้ไปบินธบาตในกรุงราชคฤห์ท่านก็เดินตามไปพระเถระก็ได้อาหารพอสมควรแล้วก็ไปนั่งริมแม่น้ำริม ร, มรมิริมแหล่งน้ำแล้วก็ฉันท่านก็ไปปฏิบัติวัฏถากแบบลูกศิษย์เลยหลังจากนั้นก็คุยกัน พระสาชิแสดงธรรมมาให้ฟังท่านก็บรู้มรรคผลเป็นพระอรหันเอเป็นพระโสดาบันเขาความสั้นมากทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาทเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาสมณะมีปกติแบบอย่างนี้ท่านก็บรู้มรรคผลเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าทั้งสามกรณีเนี่ยการพบเห็นสมณะเป็นมงคล แต่พอดีมันเราก็พบเรื่องว่ามีคนคนหนึ่งกาเรียนศินละปะดีกลวดคือดีดของที่อยู่นิ่งๆมาโดยลำดับนะแล้วสเสร็จแล้วก็ดีดของที่เคลื่อนไหวพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วจนถึงมาจุดหนึ่งก็จะดีดคนเนะน่ยที่มีคนเนี่ปรากฏว่าหาไม่ได้เพราะว่าคนแต่ละคนก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องมียาติวงพงษาก็กลัวจะถูกประชาธรรมและไม่กล้าดี ไปเห็นพระปัิเจ้าพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่งสงบอยู่โคนต้นไม้แต่บอกโอ้เนี่ยคนเนี้ยไม่มีเจ้าของมันจะไม่เกิดอันตรายกับการการดีดกรวดใส่ตาคนนี้แล้วแต่ก็ดีดกรวดใส่ตาพระปัิเจ้าพุทธเจ้าบอดเลยปรากฏว่าเห็นสมณนะแต่ว่าไม่ได้เกิดมงคลขึ้นมาเลยดังนั้นทําให้เห็นอย่างหนึ่งว่า มงคลสูตรเนี่ยที่จริงมันเป็นกระบวนการของธรรมะมันต้องมีฐานข้างต้นมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิบข้อแรกเนี่ยมันเป็นระบบพัฒนาคุณภาพมนุษย์และสิบข้อแรกนี้ก็ต้องอยู่ตลอดใน<ช>เมื่อต้องไปเกี่ยวข้องกับโลกที่กว้างขึ้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ตลอดเพราะงั้น ในกรณีนี้ก็เหมือนกันเราะเราจะเห็นว่าตอนที่การที่พระัญญากนธัญญาต้องเหาะเลื่อนลอยลงมาจากอากาศเพราะต้องการให้คนรู้สึกเป็นมงคลและจะเกิดสตาเลื่มใสแลาจะเป็นบุญแก่คนเหล่านั้นเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกก่อนที่จะไปไปนิพพานติสสะจัทัทน ทีนี้เรากมาดูตรงนี้แต่ก่อนว่าคำกล่าวของท่านวังคีสระเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นผู้มีความเพียนเครื่องก้าวหน้าอย่างแรงกล้าคือเราจะลืมว่าท่านสนใจที่จะออกบวชตามด้วยความเชื่อมั่นว่าเจ้าชายราชกุมารเล็กๆเนี่ย ต่อไปจะออกพนวดแล้วก็เป็นศาลาแข่งโลกวันท่านรออยู่ตั้งยี่สิบเก้าปีเราก็รอการเสด็จออกพนวดของพระพุธศาสนาอยู่ยี่สบเก้าปีแล้วก็ติดตามไปปฏิบัติวัฏถากด้วยวิธีการต่างๆอีก5้าปีกว่าแล้วก็จนได้ความเทศในสำนักพระพุทธเจ้า นท่านรักษาศรัทธาของท่านได้ตลอดระยะเวลาสาสิบหกปีก็แก่งไปทีหลังหน่อยหนึ่งแต่นั้นเองแต่ในสุดท่านก็กลับหลังมาได้คนมันก็แสดงให้เห็นถึงความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแล้วเป็นผู้ได้ทำเครื่องอยู่เป็นสุขทั้งหลายอันเกิดแต่วิเวกหนึ่งนิด วิเวกนั้นก็มีอยู่สามอย่างกายวิเวกคือสถานที่ที่พระเทระปอยูเนี่ยมันไม่เวกมันเป็นป่าหิมพผ่านสงัดกายก็ไม่มีมนุษย์มนาอาศัยอยู่หรอกก็มีแต่สัตว์มีแต่ช้างว่าในการบินถบาทของท่านก็คงใช้ปฏิปทาของพระประเจกาพุทธเจ้าคือเหาะเลื่อนลอยไปในอากาศ แต่จะลงเมื่อเข้าเขตของมนุษย์เพราะงั้นคนจะไม่เห็นตอนทัาเหาะแต่จะเห็นตอนท่านเดินบิดตะบะเพราะว่าเดินมันคงเดินไม่ได้ะนะอยู่ในฝ่าหิมพผานเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยสิบสองปีก็แสดงให้เห็นว่าถ้าก็สง่าธอ่ะ เป็นการสงัดตามหลักที่ว่าปัญจันตะปัจปัญจันตะศยนาสนังที่นอนที่นั่งอันสงัดเงียบปราศจากเสียงรบกวนแล้วก็สงบกายสงบจิตก็นี่ก็คือความสุขก็เรียกว่ากายวิเวกจิตตวิเวกอุปจิวิเวก ยึดก็คือสงกในรูปควากรรมฐานแล้วก็อุปทิวิเบกเด็กคือหมายความว่าจะเห็นอะไรก็ตามกิเลสไปเตือนเชื่อมันไม่มีภายในใจอะ่ะมันก็ไม่สั่นไหวเรียกว่ากระแทกกระทุง้งกระทาก็ไม่กระเทือนนี่ก็คือคุณสมบัติของพระอัญญากณฑัญญะแล้วก็พระอาหารหันต์ทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็บอกว่า คุณอันใดอันพระสาวกผู้ทําตามคำสอนของพระาศาสดาพึงบรรลุคุณอันนั้นทุกอย่างอันพระยาโกณธัญาเทระนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่บรรลุแล้วโดยลำดับเป็นการเรียนรู้จากเรียกว่าตระชีวประวัติของพระญญาโกณธรรัญา เพราะนันเราเห็นว่าพระยากรัญญามีลักษณะเป็นตำนานคือหมายความว่าอนุชนรุ่นหลังที่บวชเข้ามาก็มีความรอบรู้เรื่องราวของพระศิระเพราะว่าเป็นพระญาบุคคลเป็นไม่ใช่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพระญาบุคคลรูปแรกในพระพุทธศาสนาคนคนรุ่นใหม่ก็รับการบอกเล่า ถึงจริยาวัดปฏิปทาของพระติระทุกคนก็รู้ประวังกีศาก็ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าไอ้พระอัญญากษษษษุตตะดาท่านก็เห็นในขณะนั้นแหละแต่บั้นต้นเกิดทราบซึ้งตั้งเกิดศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาของท่านเป็นการแสดงความเคารพสุดๆแต่โดยอายุแล้วเนะี่ยเราจะเห็นว่า พระพุทธเจ้าก็อ่อนกว่าไม่น้อยกว่ายี่สิบปีท่านก็แก่กว่าพระพุทธเจ้าไม่น้อยกว่ายี่สิบปีแต่ว่าความอ่อนน้อมที่ท่านแสดงออกเนี่ยมันแสดงถึงความรรเคารพทืดทูลก็แน่นอนแหละพระอริยบุคคลก็เคารพทื่อทูนต่อพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่เมั่อก็กลายเป็นแบบแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเนี่ย ได้ถือตามปฏิบัติตามเป็นผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่บรรลุแล้วโดยดำดับไอ้นี่เป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งนรับแล้วฟังลองสังเกตว่าในการปฏิบัติธรรมะอย่างในกรณีของมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุเจ้จะใช้ธรรมะสามคำและสามคำเหล่านี้มันก็อยู่ทุกแห่ง แต่ตอนพระองค์เป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้จัดสรุรับสั่งว่าเรานั้นเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้จัดสรุร์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วแลอยู่ไม่ประมาทก็คือมีสติสมบูรณ์มีสติดีนะมีสติดีก็คงไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็เป็นพระหันไปแล้วแล้วก็มีความเพียร มีความเพียรในลักษณะที่แรงกล้าคือแผดเผาทำลายล้างกิเลสได้แล้วก็มีสามัญชัญย์มีเจตจำนงมีความมุ่ง ม, มั่นมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะก้าวไปสู่ผลซึ่งท่านต้องการให้ได้ในภพชาตินั้นนั้นแต่ว่าตอนมาสอนพระเนี่ยก็ไม่เรียกอย่างนั้นเพียงจะเรียกว่า อาตาปีสัมปชาญโนสติมาวิิยะโลกเกพิชาโดมานัสสังอาตาปีคือมีความเพียรที่เผากิเลสใเราร้อนสัมปชาญโนคือมีสัมปชานะแปลวความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นการรู้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วเจนสมมติว่าเรา จเจริญกรรมฐานหรือว่าเดินจงกรมเนี่ยก็ระลึกรู้ในเดีย๋ยวบที่เดินไปอย่างต่อนเนื่องก<อ>็ไม่ทําทําไม่ได้ง่ายนักหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องพยายามทำแล้วก็เป็นผู้มีสติสติมาคือมีสติหมายความว่ามีสติอย่างต่อนเนื่อง ส, สติมาก็คือความไม่ประมาท อาตาปีก็คือความเพียรแล้วก็มีตน่งไปแล้วละอยู่ก็คือสัมปชัญญะตรลงพระธรรมะตรงนี้เราขาดไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามแม้แต่รับประทานอาหารแม้แต่ขับรถแม้แต่รับประทานอาหารแม้แต่จะเดินแม้จะข้ามถนนความเพียร น, นั้นความพยายามจะต้องถูกต้อง ไม่คว่ยไม่ใช่นึกจะข้ามก็ข้ามมันต้องมีสติแล้วก็มีสัมผัสชัญย์เราเลึกรู้มองซ้ายมองขวาให้ดีข้ามได้หรือข้ามไม่ได้เราจะเห็นว่าธรรมะสามข้อนี้ก็ทำหน้าที่ของตนเองสนับสนุนซึ่งกันและกันจนกลายเป็นกระบวนการทางจิตและความสมบูรณ์ของธรรมะกลุ่มนี้ เรยลืนะว่าสติโลกัสมิชาโรสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกตื่นก็คือตื่นจากกิเลสสนิสาคือการหลับเรื่มหน้าข้างกิเลสแล้วก็วิเรนาดุกมาจิติคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรปัญญาญา บ, บริสุทธิ์จิตคนจะบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยปัญญา ก็หมายควา ม, มาครบทั้งสามข้อเนี่ยเป็นธรรมะที่นำสู่นิพพานแล้วก็เป็นปกติภาพของเป็นธรรมดานะฮะธรรมดาของพรานทั้งหลายแต่ตอนสมบูรณ์ด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วก็ข้ออื่นนะข้ออื่นที่เราไม่เรียกเราก็จะเห็นว่าก็อยู่ในกระบวนการตัวนี้ เพลิพระัญกุลธัญะก็เป็นต้นแบบที่ท่านวังกีส่ายกขึ้นมาในที่นี้ก็คือเป็นต้นแบบแล้วก็บอกว่าพระโกนธัญญาเถระนั้นผู้มีอนุภาพมากการที่กลายเป็นโกนธัญญาเนี่ยเพราะว่ามันเกี่ยวกับชั้นทลักษณ์แทนที่จะเรียกว่าอั ญ, ญกลุลธัญะท่านก็เรียกว่าโกนธัญญาเฉยๆเพราะ แต่ว่าตอนประรบเนี่ยท่านเรียกอัญญากนธัญะเพราะมันเป็นร้อยแก้วแต่ว่าตอนกล่าวสันเสริญเนี่ยมันเป็นร้อยกลองคือฉันไอคํามันเกินนะ่ะกลับมันเกินก็เลยเรียกว่าโกนธัญะเป็นผู้มีอนุภาพมากมันก็เห็นเห็นก็นจ่นะ คือว่ไปมาจากภูเขาหิมาลัยมาที่กรุงราชครูนี่โอ้โหไม่ใช่เล่นไกลมากแต่ว่าท่านมาก็แป๊บเดียวไปแป๊บมาแป๊บไปได้แล้วเป็นวิสุทธิเทพนะฮะพระอรหันต์นัเป็นวิสุทธิเทพราาร เ, เทะราอย่าไปคิดว่าท่านก็เหนือเทพทั้งหลายอะ่ะท่านก็เหนือเทพเหนือพรหมทั้งหลายเพราะท่านเป็นวิสุทธิเทพเวลาเรียงอันดับนี่ก็อยู่อันดับอันดับสุดท้ายนะฮะ นับที่สูงสุดนี่เขาจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะเรียงไว้สุดท้ายเมื่อเราของวางซ้อนกันเนี่ยเราจะเห็นว่าของใหญ่จะอยู่ข้างล่างของเล็กก็จะอยู่ข้างบนมาเรืดด่อยๆแล้วก็เป็นผู้ได้วิชาสามวิชาสามก็คือปุเพนวาสารตยานระลึกชาติปังกอรได้จุตูปาปาตยาน รู้จักการเหตุให้การจุติการอุบัติกาสรสัตว์ทั้งหลายที่มีความแตกต่างกันแล้วก็อาสวัคยานทําอาสวะให้ชิ่งไปฉลาดในเจโตปริญาณรู้ใจทายใจเข้าใจนะความคิดจิตใจของบุคคลอื่นเป็นทายาทของพระพุทธองค์อันนี้ทุกคนเลยนะฮะคือว่าพระยาบุคคลก็เป็นทายาททั้งนั้นะเราเอง พุทธศาสนาชนในปัจจุบันเองก็จะถ้าพยายามศึกษาพยายามประพฤติปฏิบัติให้ได้สัมผัสผลในระดับที่พอสมควรไม่ทำบาปอะไรแรงๆเหมือนก็ถือว่าเป็นทายาตเป็นธรรมทายาตของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เล่าถึงว่าไว้อยู่ซึ่งประบาททั้งสองของพระาศาสดาแห่งนี้มันมีลักษณะสรรเสริญปนรายงาน และ ง, งานจากกิริยาการทั้งหมดของปัญญากลทัญญาที่กระทาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเคารพเทิดทูนเป็นอย่างสูงคนเห็นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสและอย่าลืมว่าการทําอย่างนี้มันทําให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสได้เลื่อมใสคนที่เลื่อมใสอ ย, อยู่แล้วจะเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ควรระวังเพราะอะไรเพราะว่าบางเรื่องนี่คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นกลในการเล่นกลเป็นมายากลสร้างความทลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงทอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรม คือมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทษกันสวัสดี